บุ๊ก <Book> <25 S 3> ทูยี่สิบห้าห้า over ยี่สิในเมือง i นยุ e n ดิฉันต้องการไปที่สถานีรถไฟ jaj s ฉันจะ l stationen ดิฉันต้องการไปที่สนามบิน ย้ายสเกลทิ l ลุฟทาวน n น์ดิฉันต้องการไปที่ย่านใจกลางเมืองย้ายสเกลทิลเซ t นทรัมดิฉันจะไปสถานีได้อย่างไรคะว่า ด, ดันคัมเมอ a ์ย้าย s t a t i o น e น์ดิฉันจะไปสนามบินได้อย่างไรคะว่า ด, ดันคัมเมอร์ย i l l ทิลล a v ทา n น ดิฉันจะไปย่านใจกลางเมืองได้อย่างไรคะว a าดังเข้ามาใจที่ศูนดิฉันต้องการแท็กซี่อย a กหาผู้แฟนจากซะดิฉันต้องการแผนที่เมืองดิฉันต้องการโรงแรมยผู้แฟนจากซ l ดิฉันต้องการเช่ารถยนต์ Jag าไวเก้อเนี่ยหนี่บัตรเครดิตของดิฉันค่ะ Here is my credit card นี่ใบขับขี่ของดิฉันค่ะ Here r my d r r s c r d ในเมืองมีอะไรให้ดูบ้างคะ w a t s a l l man s e i b y e คุณไปเมืองเก่าสิคะไปเมืองเกาคุณไปเที่ยวรอบเมืองสิคะไปเที่ยวรอบเมือ n คุณไปที่ท่าเรือสิคะไปที่ท่าเรือคุไปที่ท่าเรือสิคะไป ท, ที่ท่าเรือ